ข้อที่ยี่สิเเรื่องลูกนกแขกเต้าดังได้สดับมาในอดีตการได้มีลูกนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องในป่ายิว้วใกล้าสานุบันพศจบประโยคก็ในด้านเหนือลมแห่งภูเขาได้มีบ้านที่อยู่อาศัยของโจรห้ารจุลภาคในด้านใต้ลม ได้มีอาสมที่อยู่อาศัยของฤาษี500ร้จประโยคในเวลาที่ขนปีกลูกนกแขกเต้ายังไม่ออกได้เกิดลมหัวด่วนขึ้นแล้วโจประโยคลูกนกทั้งสองนั้นถูกลมนั้นพัดไปตกตัวและแหงจประโยคบรนดาลูกนกสองตัวนั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธ ในบ้านโจรพระเหตุที่ตกในที่นั้นพวกโจรจึงขนานนามว่าสติคุมพระเติบโตในระหว่างโจรเหล่านั้นจดประโยคตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อาสมพระเหตุที่ตกในที่นั้นพวกฤาษีจึงขนานนามว่าปุพกกะ เติบโตในระหว่างฤาษีเหล่านั้นจบประโยคคราวนั้นพระราชาพระนามว่าปัญจาละในพระนครชื่ออุตรปัญจาละทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมศัพท์เสด็จทรงรถไปป่าเพื่อลานเนื้อตรัสว่าเนื้อหนีไปทางด้านของผู้ใดชุลภาคผู้นั้นนั่นแล มีสินใหม่ดังนี้แล้วได้เสด็จลงจากรถได้ทรงถือธนูประทับยืนอยู่นะที่กำบังจบประโยคครั้งนั้นเนื้อทายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุษย์ฟาดพุ่มแห่งละมาะไม้ทั้งหลายอยู่ก็ลุกขึ้นตรวจดูทางจะไปเห็นว่าสถานที่ที่พระราชาประทับยืนอยู่เท่านั้นว่าง จึงบ่ายหน้าทางที่นั้นวิ่งหนีไปแล้วจประโยคมนุษย์ทั้งหลายก็ทำการย้อเย้ยกับพระราชาจประโยคเท้าเธอทรงดาริว่าเราจะ จ, จับมันให้ได้ในวันนี้จึงเสด็จขึ้นรถทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็วจจประโยคพวกบรุษไม่อาจติดตามพระองค์ได้ โจประโยคพระชาชนีนายสารถีเป็นที่สองไม่พบเนื้อแล้วเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ำนะลำธารอันหน่าเรื่องลมแล้วมันทมใต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรโจประโยคคราวนั้นโจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมดจุลภาคพายในบ้านเหลืออยู่แต่นกสติกุมพะกับคนทําครัวคนหนึ่ง จจประยคน้องสติคุมพระบินออกจากบ้านพบพระราชาผู้บรรทมแล้วอย่างนั้นจึงบินเข้าบ้านพูดกับคนทำครัวด้วยภาษามนุษย์ว่าพวกเราจากปรองพระชน ร, ะราชาเอาผ้าและอาฟอนของพระองค์จากพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมาเอากิ่งไม้ปิดซ่อนเสียห น, นส่วนข้างหนึ่งจจประยค ราชาตื่นบรรทมทรงได้ยินถ้อยคำนั้นทรงทราบว่าที่นี่มีภัยเฉพาะหน้าตกพระหฤทยัยเสด็จขึ้นรถทรงหนีจากที่นั้นไปถึงอาสมแห่งพวกฤาษีจบประโยคคราวนั้นพวกฤาษีไปเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่จบประโยคน้องปุบปกกะเท่านั้นอยู่ในอาสม จประโยคน์กปูปกะนั้นเห็นพระราชาแล้วได้ทำปฏิสันถานโดยในเป็นต้นว่าข้อที่22่ข้าแต่มหาราชจจาพระองค์เสด็จมาดีแล้วจุลภาคอันหนึ่งพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายจประโยคพระราชาทรงเริ่มใสในปฏิสันถานของนกปุูปกะนั้น ทรงสัญเสริญนกปุพกะทรงตำหนินกสติคุมภระนอกนี้ด้วยพระดารัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินกวงเล็บเปิดแต่วงเล็บปิดทรงทําอย่างเยี่ยมส่วนนกแขกเต้านอกนี้พูดแต่คำามักได้นกปุพกะได้ฟังพระดำรัสนั้นจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชา ข้าพระองค์ร่วมมารดาเดียวกับนกนั้นจุลภาแต่เขาเติบโตในสำนักพวกคนไม่ดีถูกพวกเขาแนะนำแล้วด้วยโจรธรรมจุลภาข้าพระองค์เติบโตแล้วในสำนักของพวกคนดีอันพวกเขาแนะนำแล้วด้วยฤาษีธรรมจุลภาเหตุนั้น ข้าพระองค์ทั้งสองจึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมดังนี้เมื่อจะแสดงธรรมแด่พระราชาได้กล่าวคาถานี้ว่าข้อที่23่าข้าแต่มหาราชก็คนคบคนใดคนใดเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไร้ศีลก็ตามจุลภาค เขาย่อมไปสู่อำนาจของคนนั้นนั่นแหลจุลภาคบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบสนิทกับคนเช่นใดจุลภาคเขาก็เป็นคนเช่นนั้นแลจุลภาคเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นจ้ประโยคคนชั่วใครครบเข้าวก็เปื้อนคนคบใครแต่ต้องเข้า ก็เปื้อนผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แต่ต้องซึ่งมีได้เปื้อนเหมือนลูกศร อ, อันร้ายวงเล็บเปิดที่กำทราบด้วยยาพิษวงเลปิดก็พลอยติดแล้งไปด้วยฉะนั้นชุลภาคเพราะกลัวจะพลอยเปื้อนทีรชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเสียเลยจบประโยชน์ละร่าย เอาใบหญาคาห่อปลาเน่าจุลภาคแม้ใบหญ้าคาของนรานั้นก็วงเล็บเปิดพลอยวงได้ปิดเหม็นฟุ้งไปด้วยฉันใดจุลภาคการควบคนผ่านก็ฉันนั้นจ้ประโยคส่วนนราใดเอาใบไม้ห่อกฤษศนาจุลภาคแม้ใบไม้ของนรานั้นก็วงเล็้เปิดพลอย วงเล็บปิดหอมฟุ้งไปด้วยฉันใดจุลภาคการคบนักปราดก็ฉันนั้นจบประโยคเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความอบรมของตนวงเล็บเปิดว่าวงเล็บปิดเหมือนใบไม้สำหรับห่อแล้วไม่พึงควบพวกอาศัยบรุษพึงคบพวกสัตว์บรุษจุลภาควงเล็บเปิดเพราะ ผวกในปิดพวกสัตว์บรุษย่อมนําไปสู่นรกชุลภาคพวกสัตว์บรุษย่อมให้ถึงสุขติจรประโยคข้อที่ยีบสีป็นดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตังได้แก่สัตว์บรุษจรประโยคบทว่าอาสังได้แก่อสัตบุรุษจรประโยค บทว่าเสวามาโนได้แก่อาจารย์จบประโยคบทว่าเสวามานัง an ได้แก่อันเตวาสิกจบประโยคบทว่าสัมพุโถได้แก่อาจารย์อันอันเตวาสิกแต่ต้องแล้วจบประโยคนสองบทว่าสัมพุสังปรังได้แก่ผู้อื่นคือ อันเตวาสิกผู้แต่ต้องอาจารย์อยู่โจประโยคบทว่าอลิตังความว่าอาจารย์นั้นย่อมเปื้อนอันเตวาสิกนั้นผู้อันบาปทำไม่เปื้อนแล้วดุดลูกศร อ, อันร้ายเคลื่อนกําัทราบด้วยยาพิษพลอยติดเร่งสอนอันม่ได้เปื้อนฉะนั้นโจประโยคกจิงอยู่ผู้คบคนผาน แม้ไม่ได้ทำกรรมชั่วก็ยอมได้รับการติฉินนินทาว่าผู้คบคนผ่านจุลภาคเพราะเหตุ น, นั้นนกปุภบกจึงกล่าวว่าเอวังพาลุปะเสวนาจบประโยคผู้คบนักปราชแม้ไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้ก็ยังได้เกียรติคุณว่าผู้คบเพื่อนดีงามจุลภาคเพราะเหตุ น, นั้น นกปูพกาะจึงกล่าวว่าเอวังทีรุปรเสวนาจจประโยคกบทว่าปัตตปุตัดเสวะคือดุดใบไม้สำหรับห่อคันธชาตมีกฤิณาเป็นต้นจจประโยคกบทว่าสัมปากังคือทราบว่าตนอบรมแล้วโดวยอำนาจกลุกคลีกับมิตรดีงามจจประโยคก บทว่าสันโตความว่าพวกสมมาทิฐิย่อมยังพวกสัตว์ที่อาศัยตนให้ถึงสวรรค์อย่างเดียวเจ้าประโยคพระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมมังาของนกปูปกะนั้นทรงไหวฤาษีทั้งหลายผู้มาแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเมื่อจะอนุเคราะห์ข้าพระเจ้า จงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิดทั้งนี้แล้วสเสด็จไปยังพระนครพระราชทานอาภัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลายโปรโดให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครนั้นอยู่ในพระอุทยานทรงบำรุงจนตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญทางสวัสิ์แล้วจบประโยคส่วนนกปุปกะอยู่ในป่าไปตามยถากรรมแล้ว จบประโยคเรื่องนกแข่งเต้าในอัธกราแห่งสติกุมพระชาดกในวีสตินิบาตจบจบประโยค